5. ปรปักขาธิอวชานนะว่าด้วยการดูหมิ่นฝ่ายอื่นเป็นต้น 391. ถามอย่างไรชื่อว่าดูหมิ่นฝ่ายอื่นด้วยเข้าใจว่าเราได้พวกแล้วตอบภิกษุบางรูปในพระธรรมวินนันนี้ได้พวกได้บริวารแล้วมีพวก มีญาติจึงคิดว่าผู้นี้ไม่ได้พวกไม่ได้บริวารไม่มีพวกไม่มีญาติดังนี้จึงดูหมิ่นภิกษุนั้นย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมละแสดงอาบัติชั่วยากว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วยากแสดงอาบัติไม่ชั่วยากว่าเป็นอาบัติชั่วยาก ภิกษุชื่อว่าดูหมิ่นฝ่ายอื่นด้วยเข้าใจว่าเราได้พวกแล้วด้วยอาการอย่างนี้ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุมีสุตะน้อย392อยถามอย่างไรชื่อว่าดูหมิ่นผู้มีสุตะน้อยด้วยเข้าใจว่าเรามีสุตตะมากตอบภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีสุตะมากทรงจำสุตะสั่งสมสุตะดูหมิ่นภิกษุนั้นว่าท่านผู้นี้มีสุตะน้อยมีอาคมน้อยทรงจำไว้ได้น้อยย่อมแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมละแสดงอาบัตชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วหยาบแสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบ ว่าเป็นอาบัตชั่วอยากภิกษุชื่อว่าดูมินผู้มีสุตตะน้อยด้วยเข้าใจว่าเรามีสุตตะมากด้วยอาการอย่างนี้ว่าด้วยดูมินภิกษุผู้อ่อนพันษากว่า393ถามอย่างไรชื่อว่าดูมินภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่าเราเป็นผู้แก่กว่า ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นเถระรู้ราตรีบวชนานดูหม่นภิกษุนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นผู้อ่อนกว่าไม่มีชื่อเสียงมีสุตะน้อยไม่รู้สิ่งที่ทำไปแล้วถ้อยคําของผู้นี้จะเป็นถ้อยคําที่ทำไม่ได้ดังนี้ย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม แสดงธรรมว่าเป็นอะธรรมละแสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบภิกษุชื่อว่าดูหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่าเราเป็นผู้แก่กว่าด้วยอาการอย่างนี้ว่าด้วยไม่พึงพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงสาม คำว่าไม่พึงพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนั้นคือไม่นำคําพูดที่ไม่เข้าประเด็นมาคําว่าไม่พึงให้เรื่องที่มาถึงแล้วเสื่อมไปจากพระธรรมวินัยนั้นคือไม่พึงทาประโยชน์ที่สงประชุมกันแล้วให้เสื่อมไปจากพระธรรมจากพระวินยัยว่าด้วยธรรมวินยัยสัตตุสาสตร์3า5ร คำว่าด้วยธรรมใดคือด้วยเรื่องจริงคำว่าด้วยวินัยใดคือโจท์แล้วให้จำเลยให้การคำว่าด้วยสัตวศาสตร์ใดคือด้วยยติสัมปทาด้วยอนุสาวนะสัมปทาอธิกรณ์ น, นั้นย่อมระงับด้วยธรรมใดด้วยวินัยใดด้วยสัตวศาสตร์ใดพึงให้อธิกรณ์ น, นั้นระงับ ด้วยวิธีนั้น